เดินพรพวกเราทุกคนเนาะก็ะใสวนสวดนมนต์ทาวัดก็ฟังธรรมต่อสักหน่อยนะสรรมะก็เป็นเรื่องของชีวิตเราเนี่ยแหละอย่างเราฟังเรื่องธรร ม, มะที่พระท่านพูดหรือว่าเราอ่านเรื่องราวของพระพุทธเจ้าน ะ, ะก็คือเรื่องของชีวิตเราเหมือนกันลองน้อมเข้ามาใส่ตัว แบางทีเราเคยได้ยินหรือเคยได้อ่านว่าพระพุทธเจ้าท่านแต่ก่อนอยู่พระราชวังนะพระราชบิดาไม่ให้เห็นอะไรข้างนอกวังนะหรือถ้าให้คนแก่คนเจ็บคนตายเขาออกไปข้างนอกไม่ให้พระพุทธเจ้าท่านเห็นเราเคยได้ยินว่าพอพระพุทธองค์ท่านเห็นเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตาย ท่านกิดความสลดส่ำเบจมากว่าที่ทำไมชีวิตคนต้องเป็นแบบนี้เหรอชีวิตเราก็เป็นแบบนั้นเหรอชีวิตของปรญยาเราก็ต้องเป็นแบบนั้นเหรอท่านก็เริ่มคิดเลินะ่นักคิดหาทางออกว่าทำไมเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วเขาก็เป็นทุกข์เนาะเหมือนกับที่พวกเราเห็นทุกวันเลยนะใช่เราก็เห็นคนเจ็บนะเขาก็เป็นทุกข์ เห็นญาติพี่น้องคนเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์หรือเราก็เห็นคนตายที่บางคนเขาก็ตายด้วยความทุกข์หรือบางคนเขาก็ญาติพี่น้องเองก็ไม่อยากให้คนป่วยเขาตายเราก็เห็นคนแก่ที่ก็หมดสภาพเนาะตามตามร่างกายที่มันไม่ไหวเราก็เห็นกันทุกวันทุกวันะเราก็ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับคนพวกนี้ทุกวัน พระพุทเจ้าเองก็พอได้เห็นนะก็เลยเกิดความคิดว่าเออเราจะทํายังไงถึงจะช่วยคนให้พ้นจากจากความทุกข์ตรงนี้ได้ทนะุกข์ก็เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายหรือว่าทุกข์เพราะว่าเราเองก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะท่านก็เห็นวิยญาณเห็นเห็นสมณะนะสัมมณะคือ น, นักบวชนะเอ๊ะทำไม คนยังมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งหน้าที่เขาออกบวชเขาออกบวชเพื่ออะไรเก่อบเนี่ยก็คือออกบวชเพื่อหาทานออกจากความทุกข์ตัวนี้แหละแต่จริงๆมาว่าบางทีพระพุทธเจ้าก็อาจจะเหมือนเรานี่แหละนะท่านคงเคยได้เรียนเคยได้ฟั ง, งเคยได้อ่านอยู่บ้างแหละว่าในโลกนี้ก็ต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายมเนาม อย่างท่านเรียนคำคีพระเวทน่คํำคีในศาสนาพราหมณ์มันก็ต้องมีการมีคํากล่าวในพิธีบูชานะเวลาคนตายหรือว่าทําบุญอะไรต่างๆหมายว่าท่านก็คงได้ยินได้รู้เหมือนเราแหละแต่เพีนงแต่ว่าในตํารา บ, บอกว่าท่านไม่เคยเห็นแต่มาเชื่อว่าท่านน่าจะเคยได้ยินได้ผ่านหูผ่านตา ม, มาบ้างแหละแต่เพียงแต่ว่า อาจจะยังไม่เกิดถึงจุดหนึ่งที่อยากจะหาคําตอบจากมันนะหรือว่ายังถึงจุดหนึ่งที่ยังต้องไอ้เรื่องนี้ต้องเป็นการบ้านที่สําคัญในชีวิตเนะี่ยที่เราจะต้องาคําตอบหรือว่าเราต้องฝึกฝนตนใ ห, ให้พ้นจากความทุกข์ตรงนี้เนาะเพราะถ้าเราพิจารณาดูดีๆนะอืมชีวิตเราก็ไม่พ้นตรงนะีนะ้เนาะ แกเจ็บแล้วก็ตายเนาะไม่ว่าเราจะเป็นหมอเป็นพยา บ, บาลหรือเป็นคนป่วยหรือว่าจะเป็นคนรวยคนจนเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็เราก็หนีไม่พ้นนะญาติพี่น้องเราก็หนีไม่พ้นใครๆก็หนีไม่พ้นแต่ชีวิตเราจะจะอยู่แบบไหนนะเนาะในเมื่อเราหนีไม่พ้นแล้วเราจะอยู่กับมันอย่างไรให้ให้ใจเราไม่ทุกข์อย่างที่เราก็เห็นคนป่วยหลายคนเนาะ คนป่วยหลายคนก็ทุกข์ใจหรือญาติพี่น้องหลายคนก็ทุกข์ใจแต่เราก็เห็นคนป่วยอีกหลายคนที่ก็ทุกแต่กายเนาะแต่ใจไม่ค่อยทุกข์เนะี่ยหรือเราก็เห็นญาติพี่น้องหลายคนที่ก็ดูแลคนป่วยนะเนี่ยเาก็ไม่ได้กังวลอะไรมากแต่ไม่ใช่ว่าไม่รักไม่ห่วงนะเขาก็ดูแลไปตามหน้าที่ดูแลดีที่สุดนะ แต่ก็ไม่ได้คุกไม่ได้กังวลใจเนะี่ยมากมายเราก็เห็นนะเห็นคนพวกนี้แตกต่างกันยังไง <c oughs> แตกต่างที่การที่การวางใจใช่ไหม <c oughs> ไม่ได้มันทีโดยภายนอกเนี่ยเราก็บางคนก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บ <c oughs> หรือว่ามีญาติพี่น้องป่วยก็เป็นธรรมดาที่เราต้องเจอแต่ความแตกต่างของคนอันนี้คือการวางใจ <c oughs> วางใจวางใจอะไร วางใจคือเข้าใจความจริงยอมรับความจริงเมื่อเราป่วยหรือเราเห็นคนป่วยส่วนใหญ่คนป่วยที่ทุกข์ก็คือไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับว่าทําไมต้องเป็นเราที่ป่วยทําไมต้องเป็นญาติของเราที่ป่วยนทําไมต้องเป็นเราที่รักษาไม่ได้ทําไมต้องเป็นญาติของเราที่รักษาไม่ได้ด้วยต้องตายนะคือ พอเราไม่ยอมรับความจริงนะก็เกิดคําถามนะเกิดคําถามว่าทําไมต้องเป็นเช่นนั้นทําไมต้องเป็นเช่นนี้หรือบางคนก็ไปคิดมากเพิ่มขึ้นไปอีกเนาะเช่นบางคนก็เป็นคนดีนะทําหน้าที่ดีเป็นคนดีทําไมทําดีแล้วทําไมต้องมาป่วยทําไมต้องมาเป็นอนมตะ อ, อมะภาษแบบนี้ด้วยนะ ก็ไปโทษไปโทษว่าทำดีแล้วไม่เห็นได้ดีทำไมคนทำไม่ดีก็ยังรอยมวลก็ยังสุขสบายอยู่นะก็ไปคิดแบบนั้นนะเยอะมากนะคนก็เลยเสื่อมศรัทธาในความดีหรือว่าไม่มั่นใจในความดีนะแต่พวกเราเองก็อย่าคิดเช่นนั้นนะนั่นเะป็นเรื่องบางทีเรื่องของกรรมนะเรื่องของกรรม ความเจ็บไข้ที่ป่ว ย, วยหรือว่าเรื่องการประสบปัญหาหรือเรื่องราวต่างๆที่เราเจอในชีวิตเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจออะไรบ้างเราไม่รู้อ่าเราจะเจออะไรบ้างวันหนึ่งเราอาจจะเป็นคนป่วยเองวันหนึ่งเราก็อ่ต้องอออออตายแน่นอนเะนี่ยเราต้องเจอแน่นอนแต่สิ่งที่สําคัญนะเราต้องเตรียมพร้อมเผชิญกับความตายให้ได้ เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเผชิญกับความเจ็บป่วยความไม่สบายความแก่นทั้งถึงนเราตายให้ได้เพราะวันนั้นน่ะเนี่ยเราจะทุกข์หนักถ้าเราไม่มีที่พึ่งทางใจะเราไม่มีที่พึ่งทางใจเราจะเห็นเลยว่าถ้าคนไม่มีที่พึ่งทางใจนะเขาก็จะทุกข์หนักมากแล้วหรือว่ายิ่งถ้าเราฝึกฝนตนเองจนทั้งมีที่พึ่งตนเองน่นะเราก็ไปช่วยผู้ป่วยได้เยอะนะ ช่วยญาติพี่น้องได้เยอะอาวุโสก็เลยว่าอาชีพหมอพยาบาลหรือคนที่อต้องดูแลคนป่วยหรือไม่ใช่เราหรือบางทีเราก็ไม่ดูแลคนป่วยในฐานะหมอหรือพยาบาลเท่านั้นเนาะบางทีเราก็ต้องดูแลในฐานะดูแลพ่อแม่ดูแลญาติพี่น้องดูแลลูกในฐานะอื่นๆซึ่งเราก็ต้องดูและจ เราจะดูแลเขาแบบไหนนอกจากเราจะดูแล ร, ร่างกายก็แล้วเราก็ดูเนะเเาะโดยเฉพาะหมอหรือพยาบาลก็รู้ว่าบางทีการดูแล ร, ร่างกายมันก็มีข้อจํากัดได้แค่ระดับหนึ่งนะยาดีนะหมอดีพยาบาลดีอนะเครื่องไม้เครื่องมือดีนะสิ่งแวดล้อมดีขนาดไหนแต่บางทีมันก็รักษาไม่ได้เนาะ เราก็รู้ว่าเราก็ทำเต็มที่แล้วนะทุกอย่างก็เต็มที่แล้วแต่สุดท้ายเราก็รู้ว่ามันบางอย่างก็รักษาไม่ได้ก็ต้องก็ต้องมีอีกอย่างหนึ่งนะใ จ, ใจดีใจดีคืออะไรใจของผู้ป่วยเองก็ต้องดีใจของญาติผู้ป่วยก็ต้องดีใจของหมอพยาบาลหรือว่าคนที่ส่งเขาก็ต้องดี เพื่ออะไรให้เขายอมรับความจริงว่าเมื่อวันหนึ่งร่างกายเขาต้องตายเนะี่ยอย่างน้อยรักษาไม่หายแต่ขอให้ไปดี <c oughs> คำว่าไปดีไม่ใช่ว่าเราต้องดิชาร์จออกจากเคนไข้ในสภาพที่กลับไปอยู่บ้านได้ปกตินะ่ะหรือว่าหายจากโรคเท่เทนั้นนะบางทีเราสามารถส่งเขาไปสู่ภพภูมิที่ดีได้นะ การทำเรื่องเนี่ยการดูแลผู้ป่วยแบบประครับประคองนะนอกจากช่วยในการรักษาเยียวย า, ยาร่างกายเขาหรือให้เขากลับไปอยู่บ้านได้ตามอัตราแล้วนะแต่บางเคสเราก็ต้องดูแลส่งเขาไปดีเลยนะอืมส่งเขาไปดีก็คือว่าไปนะในพภพคุมิที่ดีภนะพภูมิที่ดีคืออะไรนะพภพคุมิที่ดีเช่น ไปใจดีใจบุญคิดถึงบุญคิดถึงสิ่งที่คุณ ง, งานความดีที่ได้ทําก็อาจจะไปสวรรค์นะหรือบางคนรักษาศีลอย่างดีก็อาจจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะหรือบางคนจิตเข้าใจความจริงก็อาจจะค้นจากความทุกข์นะอาจจะเกิดเป็นโพงหรือเป็นพระอรหันต์หลุดพ้นแล้วไม่กลับมาเกิดอีกก็ได้อันนี้คือเรียกว่าไปดีเนาะ มันก็จะตรงข้ามกับว่าเขาก็าไปไม่ดีถ้าใครไม่เคยฝึกหรือว่าไม่มีคนช่วยนะนําทางหรือบอกทางเนะี่ยโอกาสที่จะไปไม่ดีก็จะเยอะเราก็เห็นนะไปด้วยความห่วงห่วงลูกห่วงหลานห่วงนั่นห่วงนี่เนะี่มันก็จะไม่ค่อยอยากจะไปนะก็าอาจจะเป็นวิญญาณที่อาจจะยังอยู่ตรงนั้นอยู่หรืออาจจะเป็นเกิดเป็นบางอย่างที่ทําให้บนเบีย อ, อยู่ตรงนั้นอยู่ อย่างในสมัยพุทธกาลนะก็มีอันนี้ขนาดแม้แต่พระนะที่จริงท่านก็ตั้งใจปฏิบัติระดับหนึ่งนั่นแหละแต่ท่านก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นพระอาริยบุคคลนะมีวันหนึ่งรู้สึกพี่สาวท่านนะ่นะพี่สาวถวายผ้าจีวรใหม่ทั้งชุดอย่างดีเลยนะท่านก็ปิติดีใจเนาะที่พี่สาวถวายผ้าจีวรใหม่ให้ พอพอไดกของค่าจีบอลใหม่ไม่ไม่นานเท่าไหร่ท่านก็ป่วยกระทันหันแล้วก็เสียชีวิตเมื่อเสียชีวิตแล้วปกติของของสมนะของกล้าเนี่ยไม่มีเป็นของเจ้าของนะเสียชีวิตแล้วไม่ได้ไปให้ไปตามญาติพี่น้องนะก็ต้องให้แก่สมสมก็คือให้กับวัดให้กับเนี่ยที่เราอยู่นะปกติถ้าแบบพระท่านเสียชีวิตจีวอลของใช้ต่างๆก็เป็นของสม แต่พระพุทธเจ้าท่านบอกบอกหมูะสงฆ์ว่าเดี๋ยวผ้าไตาจีวร น, นี้นะเนาะอย่าเพิ่งให้แก่ภาพรูปใดรูปหนึ่งนะเอาทิ้งไว้ก่อนเจ็ดวันนะพระสงฆ์ก็สงสัยว่าทําไมต้องต้องต้องรอถึงเจ็ดวันถึงให้รูปอื่นด้วยพระเจ้าท่านก็เลยอธิบายว่าอ่าพระสงฆ์ที่เพิ่งเสียชีวิตนั้นแหละนะนะท่านห่วงท่านห่วง จีวรชุดนี้ห่วงห่วงจีวรชุดนี้ท่านปะท่านตายไปก็ภาษาเขาเรียกว่าตายไปแล้วกลายเป็นเกิดเป็นเลนเป็นคล้ายๆเหมือนมแมลงตัวอกเล็กๆมันเกาะอยู่ตามผ้าเลนเนี้ยจะมีอายุประมาณเจ็ดวันเนื่องจากท่านห่วงท่านห่วงจีวรชุดนี้ยท่านก็เลยตายไปแล้วก็เกิดมาเป็นเลนก็เกาะอยู่กับกีวรชุดนี้แหละ ก็มีจิตคิดว่าทีวอ น, นี้เป็นของของเราอยู่นะคนอื่นจะเอาไปใช้ไม่ได้ประมาณว่าพระพุทเจ้าก็ไม่อยากให้จิตของท่านเกิดความโรกนะถ้ามีคนอื่นเอาไปใช้แล้วเกิดความโกรธอาจจะไปกัดไปอะไรพระรูปอื่นท่านก็ไม่อยากให้พระรูปนั้นที่เสียชีวิตทาบาปทํากรรมต่อนะท่า น, นก็เลยบอกว่าเอาไว้ก่อนเจดวัน เจ็ดวันหลังจากเจ็ดวันแล้วก็ค่อยเอาไปให้พระรูป อ, อื่นใช้ต่อก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะที่ทำให้เราได้เห็นว่าบางทีจิตที่ห่วงที่ห่วงอนะไรน่ะมันก็จะกลับมาตรงนั้นเนาะกลับมาอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่อยากที่จะไปนะไม่ค่อยอยากที่จะไปดีแต่เนื่องจากพระรูปนี้เองท่านก็ก็เคยปฏิบัติธรรมอยู่บ้างนะพอพอได้พ้นจาก ชีวิตของเลนเจ็ดวันท่านก็ไปสู่สวรรค์ <c oughs> ด้วยกรรมดีที่ท่านได้ทําะอันนี้เราก็จะเห็นว่าบางทีตอนนั้นก็อาจจะไม่มีใครทันช่วยท่านตอนที่ท่านจะเสียชีวิตเนาะทําให้ท่านยังทายความกังวลใจในความห่วงอะไรในในภ้าดีบอลตรง น, นี้ไม่ได้นะอันนี้ไม่นับภาษานี้ขนาดพระนะักไม่มีกรอบัวก็ อ, อาจจะห่วงดีวร แต่นภาษาพวกเราสิเนาะใช่ไหมเรามีทรัพย์สินเงินทองเรามีลูกมีหลานมีพ่อแม่มีหน้าที่การงานนะเราลองคิดดูถ้าเป็นตัวเราเองหรือเราก็ต้องเข้าใจคนป่วยคนอื่นเหมือนกันนะเขาคนป่วยเขาก็มีพ่อแม่พี่น้องมีลูกหลานมีการงานมีสมบัติมีเรื่องที่เขายังคาใจยังแก้ไม่ได้ถ้าเราเข้าใจเขาตัวนี้นะ เราก็จะไม่ได้ดูแลเขาแต่เพียงแค่ร่างกายหรือทําไปแค่ตามหน้าที่นะแต่จริงเราจะดูแลเขาไปถึงจิตใจหรือเราจะดูแลเขามากกว่าหน้าที่นะหน้าที่รักษากายแต่เราจะดูแลเขาเหมือนเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นนิตรนะเขา้าเขาเรียกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรานะเห็นคนทุกข์เราก็เอาใจเขามาใส่ใจเราเราก็ แต่พวกนนี้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องทุกข์ด้วยนะแต่เราก็จะพยายามหาทางให้เขาคนจับความทุกข์ตรงนั้นด้วยอันนี้อยากให้พวกเราได้ทาหน้าที่ตรงนี้เนาะถ้าเราได้ทาหน้าที่ตรงเนี้แหละส่วนหนึ่งคนป่วยเขาก็ได้รับได้รับกําลังใจเป็นธรรมโอษฐ์ที่เขาหายจากโรคแพ้เเจ็บได้หรือหายไม่ได้ก็ช่วเราเนี่วยเราความเจ็บไข้ที่ป่วยลงไปบ้าง อีกส่วนหนึ่งนะที่จริงจะทําให้เราเนี่ยแหละเกิดความสุขใจหรือว่าเกิดให้เราเห็นปัญญาในการเห็นความจริงด้วยนะอะถ้าเราทําหน้าที่ตรงนี้ยมันจะทําให้เราน้อมน้อมเข้ามาใส่ตัวนะเห็นคนป่วยเห็นคนแก่เห็นคนตายเห็นคนอื่นเขาทุกข์เราน้อมเข้ามาใส่ตัว น, น้อมว่าไงน้อมว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะเป็นแบบนั้น ถ้าเราน้อมมาแบบนี้นะจะทําให้เราไม่ประมาทจะทําให้เราไม่โลภมากจะทําให้เราคลายความพยาบาทคลายความโกรธเนาะถ้าสมมุติวันนี้เราต้องตายด้วยความโกรธคนอื่นอยู่เนะี่ยมันจะเป็นแบบไหนใช่ไหมถ้าวันนี้เราจะตายด้วยความที่ด๋งเนะี่ยอยู่เนะี่ยเราจะเกิดเป็นแบบไหนถ้าเราน้อมตัองอ้งนานนะมันจะทําให้เราไม่ประมาทในชีวิตนะ เพราชีวิตถ้าเราดูดีๆมันก็แค่นี้นะอยากจะมาตอนบวชใหม่ๆนะเลยไปอ่านหนังสือมนต์วิธีแปลไปเห็นรูปรูปหนึ่งนะผมรู้สึกสะดุดใจมากก็ก็ อ, อาจจะเรียกว่าเป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ทําให้บวชนานขึ้นก <c oughs> ็เห็นรูปอะไรมันมีรูปหนังสือมนต์วิธีนะรูปเห็นรูปคารกน็อกคารกที่เกิดมา ภาพต่อไปก็เป็นรูปเด็กที่กำลังเดินนะรูปต่อไปก็เป็นเ um ด็กนักเรียนที่กําลังเรียนหนังสือไวเรียนหนังสือต่อไปก็เป็นรูปนักศึกษานะกำลังเรียนระดับปริญญานะรูปต่อไปก็เป็นรูปรับปริญญาบัตรนะรูปต่อไปก็ทํางานนะรูปต่อไปก็มีครอบครัวนะรูปต่อไปก็นะมีรูปเนาะ มีร้านนะแล้วก็แกนะ่แล้วก็เจ็บนะแล้วก็ตายนะเพราะเขาเป็นรูปไม่ได้เขียนอะไรละ่ะก็เป็นรูปมันวัตจักรของชีวิตพวกเราส่วนใหญ่นะแต่เขาก็เขียนแค่นิดเดียวเขาบอกเขียนว่าแค่นี้คือชีวิตอ <c ười> ืชีวิตคนเราก็บางทีก็แค่นี้นะชีวิตนะพวกเราหลายคนก็บนมาอย่บ นั่นนะัะนะถึงวัยทํางานหรือบางคนมีลูกมีหลานนะนะยังเหลือบางคนก็อาจจะเคยผ่านมาบ้างแล้วความเจ็บไข้ที่ป่วยเนาะเหลือความแก่ความเจ็บความตายที่เราก็ต้องเจอแน่นี้นะแค่นี้คือชีวิตานะประมาณว่าชีวิตเราก็มีแค่นี้แหละนะเกิดมาเราก็มาตัวเปล่าตายไปแล้วก็ อ, อะไรไปไม่ได้เนะี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าชีวิตเรามีแค่นี้ เรื่องวัตถุสิ่งของเราก็จะไม่ได้ให้ค่ามันมากนะแต่เราก็มีนะมีเพื่อใช้มีเพื่อดำรงร่างกายอยู่ได้หรือเพื่อทำการทำงานหรือว่าเพื่อครบครัวมันก็มีแต่มันจะทำให้เราไม่บ้าสนองไม่ต้องบ้าวิ่งไปสนองวัตถุสิ่งของมากมายเพราะงี้ชีวิตเราจะเหนื่อยมากเพราะที่จริงตี่ยนนไม่ใช่สาระที่แท้จริงของชีวิต แต่แม้ชีวิตเราเกิดมาแล้วสุดท้ายก็ตายเอาอะไรไปไม่เอาไปไม่ได้เนาะแต่มันก็เหมือนมันก็เหมือนกับสิ่งของที่เรามีนั่นแหละเรามีสิ่งของถ้าเราใช้สิ่งของให้เกิดประโยชน์มันก็เหมือนกับมีเรามีชีวิตถ้าเราใช้ชีวิตของเราให้เกิดประโยชน์อันนั้นแหละก็คือคุณค่าของชีวิตแต่ถ้าเรามีสิ่งของ เราใช้มันไม่เกิดประโยชน์อันนั้นก็ไม่มีคุณค่าเนา ะ, ะมันก็ชีวิตก็แค่ผ่านไปวันวันหรือบางทีชีวิตก็เป็นโทษแ ก, ก่คนอื่นด้วยซ้ฉะ น, นั้นชีวิตที่ดีก็คือเราก็ต้องทำชีวิตของเราให้มีค่าทำชีวิตให้เราให้มีค่าใ น, ในแล้ก็จะเกิดมาแล้วนะก็จะต้องตายอยู่แล้วก็ต้องทำชีวิตให้มันมีค่านะ มาพวก่กเชื่อว่าพวกเราเสนใหญ่ก็ทําแบบนั้นอยู่แล้วเนาะทำเงบนมีอยู่แล้วแต่บางทีการทําชีวิตของเราให้มีค่าอย่างเดียวมันบางทีมันก็ไม่พอเพราะบางทีพอเราทําหน้าที่ของเราหรือเราเกี่ยวข้องกับอะไรก็แล้วแต่บางทีมันเรื่องราวในชีวิตมันจะเจอกับปัญหาเจอกับอุปสรรคเจอกับเรื่องราวต่างๆบางทีเราก็จะเกิดความทุกใจ เวลาทํางานแล้วเพื่อนร่วมงานไม่เข้าใจเวลาทํางานแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังคาดคิดไว้นยะต้องหรือบางทีเราเจอกับคํานินทานะเราก็จะเกิดความทุกข์ใจนะอนะเกิดความทุกข์ใจเราก็จะเครียดนะอันนี้บางทีแม้เราทําหน้าที่ของเราดีละแต่บางทีถ้าเราวางใจไม่ผิดเราก็จะทุกข์ใจนะเราก็จะเครียดนะ หรือบางทีไม่แต่เรื่องบวกก็เหมือนกันนะเรื่องบวกถ้าเราวางใจไม่ไม่ดีนะบางทีก็ทุกข์เหมือนกันแหละบางทีคนก็ร่อเราด้วยคําชมนะล่อเราด้วยชื่อเสียงเกษยษยษียรติยศด้วยตำแหน่งต่างๆเพื่อให้เราได้ไต่เต้าขึ้นไปแต่ก็ทำให้เราเหนื่อยเหลือเกินทําให้เราคิดว่าเขาต้องชมเราแบบนั้นตลอดไปนะบางทีพอเราหมดอำนาจ หมดตำแหน่งหมดอะไรไปเราก็อาจจะรู้สึกเฉาก็ได้นะเหมือนกับบางคนพอมีตำแหน่งสูงหรือมีอำนาจมากพอหมดอำนาจก็อาจจะเหมือนรู้สึกว่าตัวเองเหมือนด้อยคุณค่าไปอันนั้นก็อาจจะเป็นความทุกข์ใจเหมือนกันนะนั้นเราก็ต้องฝึกใจของเราเนาะให้ให้เข้าใจความจริงนะเราน้อม สิ่งต่างๆเหล่นี้นเขามาใส่ตัวเราแล้วก็เราทําหน้าที่ของเราให้ดีแต่ก็ต้องวางใจของเราให้ดีด้วยเพราะไม่งั้นเรื่องราวที่ดีก็ดีเรื่องราวที่ไม่ดีก็ดีมันมากระกบใจมีจะกระเทือนใจจะหวั่นไหวใจสะเทือนใจหวั่นไหวนั่นแหละเรียกว่าใจมันพลุกนะคำว่าพลุกภาษาพระเนี่ย ทุกที่ร้องไห้ก็ทุกนะทุกที่หัวเราะแบบจนทั้งดีใจแบบมากมานี้ก็เรียกว่าทุกเหมือนกันนะภาษาพระนี่คำว่าทุกไม่ใช่ว่าต้องร้องไห้อย่างเดียว น, นะทุกคือมันเสียความเป็นปกติดีใจมากๆากูไปเลยหรือแอบบเหี่ยวไปเลยนี่ก็เรียกว่าทุกเหมือนกันทุกคือว่ามันไม่ปกติทุกคือว่ามันบีบพันทําให้อยู่อยู่ น, นิ่งๆไม่ได้ บางทีภาษาคําว่าทุ๊กเนี่ยแค่เราแบบอยู่กับตัวเราเองไม่ได้เราต้องหานั่นหานี่ทํามีไมจริจริงเราอยู่เฉยไม่ได้เราต้องหาอะไรดูหาอะไรอ่านหาอะไรเล่นนั่นนะคือก็อคือความทุ๊กนะคือใจเราอยู่กับตัวเราเองไม่ได้อดังนั้นวิธีการก็คือว่าเราลองมาฝึกทำํำยางไงให้ใจเราอยู่กับตัวเองให้ได้ ตอนทํางานก็เกี่ยวข้องเราก็อยู่กับการงานนั่นแหละนะแต่ตอนที่เราไม่ได้ทําการงานให้เราใจเราอยู่กับตัวเองให้ได้อยู่กับตัวเองง่ายก็คืออยู่กับร่างกายของเราเองเวลาเราทําอะไรให้เรากลับมาอยู่กับร่างกายของเราเองนะแต่จริงพูดแบบภาษาหยาบๆนะว่าเป็นของเราเองแต่จริงถ้าภาษาที่ถูกคือให้กลับมาอยู่กับกายะกลับมาอยู่กับกายให้ใจมันอยู่กับกาย นะเพราะถ้ า, ถาใจเราไม่อยู่กับกายอะมันจะเตลิดไปง่ายเลยพอมันคิดปุ๊บมันก็ไหลไปกับความคิดนะคิดถึงที่บ้านนะเราก็เห็นนะบางคนไปถามคนป่วยตัว น, นี้ใจอยู่ที่ไหนแต่อยู่ที่บ้านนะนะนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ใจอยู่ที่บ้านนะก็อยากกลับบ้านนะพอใจอยู่ที่บ้านก็เลยคิดเมื่อใดหมอจะให้กลับอืเมื่อใดจะหายเนงะี้ยก็เลยก็เลยไม่ค่อยมีความสุขใจ เราเองก็ต้องระลังนะทีเราต้องทํางานอยู่ยังไม่เต็จแต่ใจเราก็ไปหยู่ที่บ้านแล้วหรือใจเราอยากจะไปกินไปเที่ยวไปอะไรแล้วโองทีถ้าใจเราถ้าเราไม่มีธีดึงใจกลับมาอย่างเนีน้เราจะทุบทุบเพราะความบีบคั้นที่ว่าไม่สามารถทําอย่างที่เราต้องการได้นะิดเราไม่แต่เราไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝึกเอาให้เก่งแบบในการจัดการนะเหมือนว่า ต้องทําตามใจให้ได้ใจอยากจะทําอะไรต้องทําให้ได้อ น, นั้นจะกลายเป็นคนเอาแต่ใจการฝึกสติการฝึกตัวเองไม่ใช่ฝึกให้เอาแต่ใจนะเช่อนอยากจะทําก็ทําอยากจะกินก็กินอยากจะพูดก็พูดอยากจะคิดก็คิ ด, ค ด, ค ด, คดนะแต่เราฝึกในแง่ว่าเราก็รู้การะเทสะนะการะเทสะนี้เราต้องอยู่เราต้องทําอะไรเราก็อยู่กับมันให้ได้ขอให้ใจมันกลับมาด้วยคล้ายๆเหมือนกับตอน เราเรียนหนังสือเนาะมาว่าเชื่อร้อยทั้ร้อยเนี่ยตอนเรียนไม่ได้จะมีความฝุกตลอดหรอกใช่ไหมบางวิชาบางช่วงก็เบื่อหรือเหนื่อยหรือว่าก็ง่วงนอนอะไรไม่ไหวแหละแต่ทําไมแต่ที่เราผ่านมาได้เราเรียนได้เราสอบได้เพราะเรารู้จักฝืนใจของเราใช่ไหมมันเหนื่อยมันง่วงมันพอเราก็รู้จัก กลับมาอยู่กับการอ่านอยู่กับการเรียนอยู่กับการสอบนเะ น, น, นี้เป็นการฝึกใจทุกแบบเหมือนนะ่ะที่จริงพวกเราก็มีพื้นฐานตรงนี้แล้วนะนะแต่คราวนี้ในชีวิตจริงของเราในทีก็จะมีหลายอย่างตรงนั้นนอกจากแค่การเรียนการทา ง, งานใช่ไหมหรือเราก็ต้องฝึกใจเมื่อโกรธขึ้นมาไม่ทำตามคำโรนะกรธกลับมาอยู่กับตัวเองนะวิธีการเนี้ยก็กลับมาอยู่กับร่างกาย ร่างกายเราทำอะไรแล้วก็กลับมาอยู่กับตรงนั้นหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกพลิกมือรู้สึกความือรู้สึกนะเดินก็รู้สึกตัวเราเดินเราก็รู้สึกว่าเรากำลังเดินอยู่นะเรากินข้าวก็รู้สึกว่ากินข้าวอยู่ไม่ใช่กินไปคิดไปอยนะ่างนะี้คือกลับมาบ่อยๆแต่เราจะเห็นว่า<ช>อะไร ธรรมชาติอย่างหนึ่งคือมันจะไม่หนี้เลยกลับมาแป๊เดียวไปละกลับมาแป๊เดียวไปละจะเห็นใจมีฟุง้งซ่านวิธีการปฏิบัติอีกแบบหนึ่งคือว่าเราเห็นจิตมันคิดแต่เราไม่ปรุงความคิดเห็นจิตมันปรุงแต่ไม่ไปปรุงต่อนะการภาวนาที่เราใจเป็นกลางนีสติคือเห็นจิตมันปรนะุงนั่นปรุงนี่แต่เราพลดเลยบางทีก็ปรุงดีบางทีก็ปรุงไม่ดี บางทีก็ปรุงมีสาระบางทีก็ปรุงไม่มีสาระเพราะเรื่องของมันเห็นจิตมันปรุงแต่อย่าไปปรุงกับมันเห็นนะสังเกตนะบางทีบางอย่างจิตมันจะปรุงเยอะเลยนะมันห้ามไม่ได้นะจิตมันจะปรุงแต่งของมันเองปรุงชอบปรุงไม่ชอบปรุงอยากได้ปรุงไม่อยากได้อย่างนั่นนะปรุงพอใจปรุงไม่พอใจเราเห็นจิตมันปรุง เรามีสติไม่ไปปุมกับมันก็คือว่าเช่นสมมติมันไม่พอใจก็เห็นว่าจิตมันปุมความไม่พอใจแต่เราไม่ต้องไปเสิมเชื้อให้กับมันก็คือว่าไม่พอใจแล้วก็ต้องแบบไปคิดอีกไปเอวเรื่องราวในอดีตที่เขาเคยทําให้เราไม่พอใจอีกนะพอสมสองสามเรื่องไปปุงต่อว่าจะแก้แค้นไปจัดการอะไรยังไงอันนี้คือเรียกว่าปไปปุมไปปุมแต่งต่อนะจิตมันแค่ปุมความไม่พอใจไม่ชอบขึ้นมา แต่พอเราไม่รู้ทันเราต้องไปปรเพิมรุงแต่งต่ออันนี้วิธีฝึกนะมีสอนรูปแบบเนี่ยแหละนะอย่างหนึ่งชื่อว่ากลับมารู้สึกตัวกับการกระทำนะเราทาอะไรก็แล้วแต่กลับมารู้สึกตัวว่าเรากําลังทําอะไรอยู่อย่างที่สองคือเห็นจิตมันปรุงอย่ากปรวปุมกับมันเอยากปริ้วปรุมกับมันอันเนี้ยมันความปรุง มันดูเหมือนง่ายๆเนาะแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกต้องทำนะไอ้พวกนี้มันเป็นเรื่องของทักษะนะธรรมะเป็นเรื่องของของการฝึกฝนเป็นเรื่องของทักษะเหมือนกับเราเรียนหนังสือเหมือนกับเราเล่นกีฬาเหมือนก็เราทํางานนั่นแหละจบใหม่ๆก็ยังฉีดยาไม่เก่งเนาะ <c oughs> ก็ยัง <c oughs> ก็ยังทําอะไรไม่ชนานาญมากแต่พอเราทํำบ่อยๆมื่อ็เกิดความทํานาญขึ้น ธรรมะา ก, ก็เหมือนกันบางทีเราจะไปคิดว่ามาปฏิบัติธรรมครึ่งวันวันหนึ่งหรือวเจ็ดวันไม่เห็นได้อะไรหรือไม่เห็นเปลี่ยนเลยบางทีเราก็เรียกว่าหวังผลมากเกินไปเนาะเหมือนเหมือนอย่างพวกเราบางคนอาจจะทุกคนก็ได้ไม่รู้ภาษาก็ดําเตจนะสมมติการไปเรียแค่เจดวันจะให้เราฟังได้ อ่พูดได้หนูก็ไม่ได้ใช่ไหมณขนาดภาษาที่มันเป็นเรื่องสมมติที่มันอาจจะคนอีกไม่รู้กี่ร้านคนเขาเขาพูดได้นะมันก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนนะเรื่องของใจเราเองก็เหมือนกันนะเดีเราก็ต้องเข้าใจนะว่าบางทีเราเคยไปปฏิบัติทําแล้วเคยฝึกไปแล้วมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่หรือว่ามันก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่มันก็ต้องเข้าใจว่าเหมือนเหมือนเราเรียนรู้อะมันต้องฝึกไปด้วย ฝึกไปเรื่อยๆก็ฝนะึกทั้งในชีวิตของเราแล้วก็ฝึกทั้งเวลาเรามีโอกาสแล้วก็ปฏิบัติในรูปแบบตัวนี้ยหละมันกะ็จะเพื่อฝึกฝนฝึกอยู่ที่ตรงไหนฝึกที่กายฝึกที่ใจฝึกที่วาจาของเราเนี่ยนะธรรมะนี่ไม่ใช่ว่าต้องไปอยู่ที่วัดอย่างเดียวหรือว่าต้องไปที่ที่สมบเท่านั้นนะเราเดินอยู่ที่บอร์ด <c oughs> ก็ต้องอยู่กับการเดินนะ เรากินข้าวอยู่ที่โรงอาหารหรื อ, อยู่ที่บ้านก็ให้ใจอือยู่กับการกินเรากวาดบ้านปูบ้านก็ให้ใจรู้สึกตัวอยู่กับสิ่งที่เราทำนะอยู่กับปัจจุบันถ้า <c oughs> ใจจะแว บ, บไปที่อื่นถ้าใจจะไปอดีตไปอนาคตเราก็แค่ดึงเขากลับมาหรือว่าอีกอย่างหนึงก็เห็นจิตมันปุงแต่งเห็นเฉยเฉยน่ะนะมันจะเป็นเพียงแค่อาการะ มันเป็นเหมือนแค่อารมณ์เกิดขึ้นดับไฟตัวขึ้นดับไปก็เราเคยเห็นไหมบางทีแต่ละวันเราไปตรวจคนไข้บางทีจะเห็นจิตเราเปลี่ยนนะแต่บางทีเราคิดว่าคนไข้ทําให้มันเปลี่ยนเช่นเห็นคนไข้คนนี้เขาอารมณ์ดีเราก็คอยมีความสุขไปด้วยเป็นคนไข้คนนี้เขาโวยวายแล้วก็คอยมีความทุกข์ไปด้วยเป็นคนไข้คนนี้เขาอาการไม่ดีเราก็รู้สึกแย่เห็นคนไข้คนนี้อาการดีเราเลยรู้สึกดีขึ้น บางทีเราก็ไปเข้าใจว่าคนอื่นทําให้เรารู้สึกแบบนั้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่จริงเพราะใจเราเองนั่นแหละไปไหลตามเขา <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เขาเป็นเหตุเกิดขึ้นแบบนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปคอยคอยจมหรือว่าคอยอินไปกับเรื่องราวที่เขาแสดงเนาะแต่ถ้าใจเราเป็นบกพริตเราจแค่แค่เห็นะเห็นใจมันขึ้นขึ้นลงๆแต่ไม่ไปต้องไปกลมกับมันต่อนะเราดูแบบเนี้ย เราจะเห็นเลยทั้งวันทั้งวันจิตมันเปลี่ยนแปลงไปบ่อยมากบังคับบัญชาไม่ได้มันเป็นของมันเองมันไม่เที่ยงแล้วแต่เราเห็นไปบ่อยนะมันจะเกิดความรู้สึกว่ามันเป็นแค่เรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของใจจริงจริงการฝึกปฏิบัติจะเห็นว่าเอ๊ะอันนี้เป็นเรื่องของร่างกาย ร่างกายเขาแก่ร่างกายเขาเจ็บร่างกายเขาตายคือ เ, เรื่องของร่างกายเรื่องของจิตใจก็เหมือนกันนะไอ้จิตเนะี่ยมันเปลี่ยนแปลงสารพัดมันไม่อยู่นิ่งมันเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นของมันเองแต่จริงถ้าเราเห็นเฉยเฉยเราดูเฉยเยเนี่ยนะมันจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าความเป็นปกติปกติคือไม่โศกไม่ทุกข์ดูเฉยเฉยนะไม่ไปอินกับมันไอ้ความไม่อินกับมันเนะี่ยคือปกตินะ ถ้าใครทําได้แบบเนี้ยมันจะแบบไม่หวั่นไหวนะอะไรเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไหวแม้จะมีความสุขเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นมีใจเกิดขึ้นเกลียดใจเกิดขึ้นแต่มันเหมือนไม่หวั่นไหวเหมือนเราดูเฉยๆพอเราดูเฉยๆเนี่ยมันไม่เป็นไม่เป็นอะไรไม่เป็นผู้สุขไม่เป็นผู้ทุกข์นะตรงเนี้ยคือสุดยอดของของชีวิตนะพระพุทธเจ้าท่านมาค้นพบตรงนี้แหละนะ ท่านไม่ใช่คนพบวิธีที่จะทำให้คนไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ท่านแค่คนพบวิธีที่จะไม่ทุกข์ก็คือว่าท่านเห็นความทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์เราเองก็เหมือนกันเนะเราเห็นความทุกข์เห็นร่างกายทุกข์เห็นจิตใจทุกข์แต่ดูว่ามันไม่ใช่เราเนี่ยคือการฝึกฝนปฏิบัติธรรมของเราตัวนี้เนาะก็ าอาตมาก็พูดให้เราเข้าใจแล้วก็ให้เรามั่นใจในในวิธีการปฏิบัติหรือวิธีฝึกฝน